การสวดมนต์เป็นยาทาวิปัชนาเป็นยากินทาไปก่อนสวดไปก่อนสวดแล้วเนี่ยมันซึ่งใจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาคุนจีนหรือคนฝรั่งเขานิยมเนี่ยเขาสวดโดยไม่รู้เรื่องแต่สวดไปสวดไปเกิดสมาธิสิเกิดสมาธิเ ก, าธเกิดจิตสำนึกเกิดหน้าที่การงานและขึ้นมาเนี่ยคือกรรมฐานอันหนึ่งเรียกว่าภาวนา